เจรพรท่านสาธุชนพุทธบรชษัทอบาสุอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามพุทภาของพุทธศักราชสองพหหกเป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฝังธรรมวันรมบุญวันสร้าง บ้านใหม่วันสง์วันผ่อนสงบ้านใหม่ผ่อนสง์ตั๋วเรือบินเพื่อที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์แล้วกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ที่สวยงามที่ดีกว่าร่างกายอันเก่าถ้าเราไม่มา บนให้ฐานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ <c oughs> เท่ากับเราไม่ได้ผ่อนสมซื้อบ้านใหม่ไม่ได้เก็บเงินไว้สำหรับตีตัวเครื่องบินเพื่อจะไปเที่ยวในโลกทิพย์แต่เราจะต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปเป็นขอทาน เพราะการทำบาสนี้ทำแล้วก็เหมือนกับทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายก็ต้องจับไปลงโทษขังในคุกขังในตารางใจของเราก็เช่นเดียวกันเวลาร่างกายตายไปถ้าทำบาปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในนรกนรกนี้คือตารางของจิตใจ ของผู้ที่ทำบาป ท, ทำกรรมถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทานแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ผู้ตายไปก็ต้องไปเป็นขอทานแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลากลับมาเป็นมนุษย์ก็ได้ร่างกายที่แย่กว่าเดิม ร่างการที่ไม่สวยงามมีรูปร่างอับประรักอาการไม่ครบ32มบีโลกภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นนี่คือการการไปหรือผลของผู้ที่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ฝังเทศ ฟ, ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมแต่สำหรับผู้ที่ ทำบุญอยู่อย่างต่อเนื่องรักษาศีลอย่างต่อเนื่องฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องผู้นั้นเวลาจากร่างกายนี้ไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในโลกที่ไปท่องเที่ยวในสวรรค์สวรรค์ก็มีหลายระดับระดับเทพระดับพรหมระดับพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆ พอไปเที่ยวเสร็จกลับมาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวอ่อนผ่องใสมีอาการครบ32มีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบี่ยนเบียนนี่แหลคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรา มาทำบุญในวันพระทำบุญนักษาสีงห์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันไปตามกำลังของเราถ้าปฏิบัติธรรมได้สมาธิก็จะได้ไปเที่ยวในพรหมโลกถ้าปฏิบัติธรรมในขั้นปัญญาได้ก็จะไปไปเที่ยวในภพของพระอริยเจ้ า, าทั้งหลาย ของพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอน า, าคามีและพระอาหารหันต์ผลต่างๆเหล่ า, านี้ไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครสามารถมอบให้กับเราได้ไม่มีใครจะเสด จ, จะปั่ให้เราไปได้เราต้องเป็นผู้เสดผู้ปล่นเองด้วยการกระทาของเราเท่านั้นพระพทเจ้าสืบต่าว่า ตว์นอกทั้งหลายมีการเป็นของของตนจะทำการมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมที่พวกเราทำกันอยู่นี่ก็มีสามชนิดด้วยกันคือมโนกรรมเรียกว่าการกระทำทางใจวจีกรรม เป็นการกระทำทางวาจาแน่กายยกรรมเป็นการกระทำทางร่างกายการกระทำทั้งสามนี้ก็มีสามลักษณะด้วยกันคือทำกรรมที่เป็นกุศลทำกรรมที่เป็นอกุศลและทำกรรมที่เป็นกลางคือไม่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล นี่คือกรรมที่พวกเราทำกันอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่ที่ว่าเราจะทำหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางอากุศลก็จะทำบาเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสรารยาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคราง นี่คือการกระทำบาปการกระทำที่เป็นอกุศลเพราะทำไปแล้วก็จะนำผลที่ไม่ดีมาให้ถ้าเราทำบุญรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเราก็จะทำบุญที่เรียกว่ากุศลทำกุศลแล้วผลก็คือความสุขความจเจริญของจิตใจ ความสุขความจเจริญของภพชาติที่จะตามมาตามลํ า, ลาดับแห่งการกระทําของเราเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบุญมีบรารมีมีความแตกต่างจากผู้ที่ไม่บุญไม่มีบุญไม่มีบรารมีพวกเราทุกคนนี้มีความแตกต่างกันในทางบุญบรารมี คืบางท่านก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากบางท่านก็มีน้อยบางท่านก็มีสติปัญญาที่แหลมคมบางท่านก็มีสติปัญญาที่ไม่แหลมคมบางท่านก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามบางท่านก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามบางท่านอายุยืนบางท่านอายุไม่ยืนบางท่าน มีโรคภัย ไ, ไข้เจ็บเบียดเบียน บ, บางท่านไม่มีโรคภัย ไ, ไข้เจ็บเบียดเบียน บ, บางท่านเป็นที่รักเป็นที่คารมเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นบางท่านก็เป็นผู้เป็นที่รังเกียรจเป็นที่ติดชิ้นลินทาเป็นที่ดูถูกดูแลนของผู้อื่นผลหลังนี้เกิดจากการกระทําทางกาย ทางวาจาและทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าทำไปในทางกุศลก็จะได้ผลดีถ้าทำไปในทางอกุศลก็จะได้ผลไม่ดีเมื่อได้รับผลแล้วจะขอไปเปลี่ยนเหมือนกับไปซื้อของนี่ไม่ได้ซื้อของมาได้ของไม่ดีเรายังเอากลับไปแลกเปลี่ยนที่ร้านได้แต่ ผลที่ได้จากการกระทําของเรานี่แลกเปลี่ยนไม่ได้ได้มาแล้วก็ต้องอยู่กับมันไปต้องรับผลของมันไปจนกว่ามันจะหมดไปดังนั้นผลที่เราได้รับในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเกิดจากเหตุที่เราได้ทํามาในอดีตแต่ผลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ในวันต่อไปนี้เราเปลี่ยนแปลงได้เพราะเรายังไม่ได้ทำเราสามารถเปลี่ยนจากการกระทำบาปมาเป็นการรักษาศีลได้เปลี่ยนจากการมีความตันีีมีความหงหุดหงิดมาเป็นความไม่ตนตีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน อันนี้เราเปลี่ยนได้ถ้าเรารู้ว่าการกระทาของเราอย่างไรทำให้เราได้ดบได้ดีการกระทาของเราอย่างไรทำให้เราได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนเวลาเปลี่ยนนี้ก็จะรู้สุกยากเหมือนกับเราเปลี่ยนมือถ้าเราเคยใช้มือขวา แล้วเราต้องมาใช้มือซ้ายตอนต้นก็จะรู้สึกยากเพราะเราไม่เคยใช้มือซ้ายไม่ถนัดเช่นเคยเขียนหนังสือมือขวาแล้วต้องมาหัดเขียนหนังสือมือซ้ายเวลาเขียนใหม่ๆก็จะรู้สึกยุ่งยากลำบากแต่ถ้าเราพยายามฝืนเขียนด้วยมือซ้ายไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะเขียนได้เหมือนกับคนที่เขาถนัดมือซ้ายคนถนัดมือซ้ายก็สามารถเปลี่ยนมาถนัดมือขวาได้ถ้าเขาพยายามหัดใช้มือขวาฉันใดถ้าเราเคยถนัดกับการทำบาปทำอกุศลถนัดกับความตนนีเราก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความตะนนีมาเป็น มมาความมาเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ด้วยการฝืนบังคับถึงเวลาทำบุญก็ต้องทำบังคับตัวเราเองให้ทำบุญใส่บาตรทุกวันเป็นการฝึกไปใหม่ๆก็จะรู้สึกยากแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกง่ายไปต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยไป เวลาวันไหนไม่ได้ใส่บาตรวันนั้นจะรู้สึกขาดอะไรไปคนที่เคยใส่บาตเป็นประจำในเวลาเขาตื่นสายหรือว่าไม่ทันใส่บาตรพลาเดินไปแล้วเขาก็ยังอุตส่าห์ขี่รถตามไปใสเพราะว่าพอทําอะไรแล้วมันก็จะติดเป็นนิสยัยแล้วก็มันจะมีความรู้สึกที่ดี เวลาไม่ได้ทำก็จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปการทำบุญนี้เป็นเหมือนการรับประทานอาหารการใส่บาตรให้อาหารแก่ผู้บุญนี้เราเก็ได้อาหารกลับมาเช่นเดียวกันแต่อาหารที่เราได้นี่เรียกว่าอาหารทิศเป็นอาหารของใจเป็นบุญนี้เองเราใส่บาตรไปแล้วเราได้ความอิ่มเอิบใจ มีความอิ่มมากกว่าความอิ่มทางร่างกายทางร่างกายนี้เป็นความอิ่มที่สู้ความอิ่มทางจิตใจไม่ได้ดังนั้นขอให้เราพยายามทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำพยายามละเว้นการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นด้วยการบังคับตัวเราเอง อย่าปล่อยให้ทําตามอารมณ์เพราะถ้าทําตามอารมณ์แล้วอารมณ์ของเราส่วนใหญ่มักจะไปทางอากุศลเสียเป็นส่วนใหญ่เราต้องบังคับถึงแม้จะไม่มีอารมณ์อยากจะทําเราก็ต้องบังคับเช่นบังคับให้ใส่บาตรทุกวันถ้าไม่มีพระเดินผ่านมาทางบ้านก็ให้เอาเองินที่จะไปซื้อของใส่บาตรนี้ เอาใส่กระปุกใส่กระป๋องมาไว้ก่อนแล้วพอเวลาเรามีโอกาสไปทำบุญที่วัดหรือเวลามีผู้มาบอกบุญให้ทำาทำาผ้าป่าทำกระถินเราก็จะได้เอาเงินที่เราสะสมเก็บไว้จากการใส่บาตรทุกวันนี้เอาไปทำบุญได้ เราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่หวงไม่ตนมีเราก็จะมีความสุขความหวงความตนนี้จะทำให้เรารู้สึกคับแคบรู้สึกใจของเราคับแคบเหมือนกับที่เราต้องไปอยู่ในที่แคบแคบไม่มีความสุขไม่เหมือนกับเวลาที่อยู่ในที่กว้างรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจเวลาใจนี้ เ, เพื่อเฟื่อเผื่อแผ่ใจจะกว้างใจจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือให้ให้ทานให้เสียสละประโยชน์สุด ข, ของเราให้แก่ผู้อื่นประโยชน์สุดของเราถ้าเรามีมากเกินความต้องการของเราเราก็อย่าหวงเก็บเอาไว้เอาแ บ, บ่งปันให้แก่ผู้อื่นไป เช่นมีเงินมากหรือเฟื่อมากเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นถ้าเอาถ้าเราใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้กับสิ่งที่ฟุ่มเฟือ่อต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็จะไม่พอใช้จะไม่มีวันที่จะแบงเงินมาทำบุญได้คนที่จะทำบุญได้นี้จะต้องงดหรือลดการใช้ เงินกับสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆเช่นซื้อเสื้อผ้าที่มีมากอยู่แล้วถ้ามีมากเกินความจำเป็นก่านต้องการแล้วก็ไม่ควรจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าไม่ควรจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่เป็นประโยชน์ของเช่นเครื่องประดับประดาต่างๆซื้อมาให้เกะกะ บ, บ้านไปเป่าๆซื้อมาแล้วก็กลายเป็นภาระทางจิตใจ ก็จะต้องกังวลวิตกกลัวว่าจะถูกขโมยไปก็เลยจะไม่กล้าออกจากบ้านจะกลายเป็นปู่โสงเฝ้าทรัพย์ไปแทนที่จะใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ด้วยการเอาไปทำบุญเอาไปสงเคราะห์เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปทำให้ใจของเรากว้างทำให้ใจของเราสุขให้สบายเราก็กลับมา ทำใจให้แคบด้วยความตำนีด้วยความหวงด้วยความเสียดายมีทรัพ์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเงินไว้ทาบุญเราก็ต้องเอาเงินที่เราจะไปใช้กับของที่ไม่จำเป็นต่างๆงดไปเที่ยวงดซื้อเสื้อผ้าซื้อลองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อสิ่งต่างๆที่เรามีมากพอแล้ว เอาเงินซื้อเพียงสิ่งที่จำเป็นก็คืออาหารยารักษาโรคบ้านเราก็มีอยู่แล้วเสื้อผ้าเราก็มีพอแล้วถ้าเราใช้เงินแบบฉลาดใช้บุญใช้เงินกับในสิ่งที่จำเป็นเราก็จะมีเงินเหลือมากมีเงินเหลือมาทำบุญได้อย่างสบายเวลาทำแล้วก็จะทำให้ใจเรากว้างใจเราเบิกบาน ใจเรามีความสุขมีความสบายนี่คือการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดประโยชน์การมีทรัพย์หรือการใช้ทรัพย์ที่ไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> ก็คือใช้กับสิ่งที่เป็นโทษกับเราเช่นใช้กับการซื้อสุรายาเมามาดื่มใช้กับการไปเที่ยวใช้กับการเล่นการพนัน การใช้เงินทองกับสิ่งเหลานี้จะทำให้เงินทองของเราหมดไปอย่างรวดเร็วและอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ถ้าเราไม่มารวบรวังเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญเลยเมื่อเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้มาวัดมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่ได้มีบ้านใหม่ ที่ดีรอรับเราเราจะไม่มีตั๋วเครื่องบินที่จะพาเราไปเที่ยวในโลกทิพย์ตายไปเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ออกจากคุกตารางมาก็ต้องมาเป็นขอทานพอหมดจากขอทานก็ต้องมาเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นแมวเกิดเป็นสัตว์ต่างๆจน กว่าบาปที่เราทำไว้จะหมดถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็เป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนานี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมกันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผู้ที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆ ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะไปอีกรูปแบบหนึ่งตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็คือสวรรค์นี่เองสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆแล้วถ้ายังไม่ไปไม่ถึงพระนิพพานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาเกิดดีกว่าเกา่า ในรูปร่างหนา้าตาสวยงามเป็นคนมีว่าศสนาบารมีทำอะไรก็มีแต่ได้อย่างเดียวไม่มีไม่มีเสียทำอะไรเงินทองก็ไหลมาเทมามีคนนับหน้าถือตามีคนเคารพมีคนคอยดูแลรักษาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานี่เป็นหานิสง์ของผู้ที่ทำบุญ รักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงบังคับให้พวกเราเข้าวัดกันในวันพระคือทรงบัญญัติวันพระไว้เดือนละสี่ครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือไม่ให้เราไปหาเงินหาทองให้เราหยุดหาเงินหาทองสักหนึ่งวันให้เราหยุดการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขตา่ตาง เช่นไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟวยต่างๆไปเดิอบสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนให้หยุดหนึ่งวันแล้วมาทำบุญให้ทางมารักษาสิมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเพราะนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่พวกเราถ้าไม่มีวันทะ ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้คิดถึงเรื่องการทำบุญไม่ได้คิดถึงการรักษาศีลไม่ได้คิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมกันใจของเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินก็ต้องทำบาปทำกรรมตายไปก็จะไปอย่างที่ได้แสดงเอาไว้ ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนมากำหนดวันพระวันธรรมมาสวรรคให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไม่ได้มาเข้าวัดกันในวันนี้ก็จะไม่ได้มาทำบุญไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละคือคุณค่าของพระพุทธศาสนา เป็นเหมือนกับแสงสว่างนำทางที่จะดึงให้พวกเราให้อยู่ไกลจากนารกให้อยู่ไกลจากการเป็นขอทานให้อยู่ไกลจากการเป็นเดรัจฉานให้เราได้อยู่ใกล้กับสวรรค์ได้อยู่ใกล้กับการมีบุญมีบารมีการมีสภาพที่ดีมีความสุขมีการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะวนเวียนอยู่กับการหาเงินใช้เงินทำบาปทำกรรมยกเว้นพวกที่เคยมีนิ ส, สัยชอบทำบุญไม่ชอบทำบาปพวกนี้ก็จะทำบุญต่อไปไม่ทำบาปต่อไปไม่ว่าจะมีพระพุทธศาสนามาเผยแผ่สั่งสอนหรือไม่ก็ยังจะทำบุญต่อไป จะไม่ทําบาปต่อไปก็จะเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพุกกลับมาก็เกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีบรารมีแต่ก็จะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาสั่งสอนให้ยุดติการเวียนว่ายตายเกิด ก็การทำบุญไม่ทำบาปทั้งสองอย่างนี้ไม่พอกับการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้การที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้นอกจากการทำบุญไม่ทำบาปแล้วยังต้องชำระใจให้สะอาดด้วยใจของพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ไม่สะอาดด้วยอะไรก็ไม่สะอาดด้วยความโลภความโกรธความหลง ไม่สะอาดด้วยความอยากต่างๆนี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเหล่านี้เป็นตัวผลักดันให้ใจของเราต้องไปเกิดใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนอกจากการทำบุญละบาปแล้วเราก็ต้องชำระใจให้สะอาดด้วยการชำระใจนี้ก็ต้องใช้การภาวนา ที่เรียกว่าสัมมาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการการภาวนานี้จะชำระกิเลสความโลดความโกรกความหลงชำระตัณหาความอยากในรูปเสียงเกินดนิดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้ว ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่แล้วใจก็จะไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ไปเกิดเหมือนกับรถยนต์ถ้าถอดเครื่องยนต์ออกจากรถยนต์รถยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้เพราะไม่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนมีแต่รถแต่ไม่มีเครื่องยนต์ใจของเราก็เหมือนรถยนต์ที่มีทั้งเครื่องและมีทั้งตัวถัง แต่ถ้าเราถอดเครื่องยนต์ออกจากใจไปแล้วใจของเราก็จะไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดัง น, นั้นถ้าเราเบื่อกับการที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาต่อสู้กับปัญหาต่างๆกลับมาเลี้ยงดูร่างกายด้วยความยากลำบาก เราต้องการที่จะหยุดเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดด้วยการจเจริญสมถะภาวนาก่อนสมถะภาวนาแปลว่าการทำใจให้สงบใจจะสงบได้ก็ต้องหยุดความคิดปุ่แต่งการจะหยุดความคิดปุงนแต่งได้ก็ต้องให้ใจคิดในสิ่งที่ทําให้หยุดเช่นให้คิดคำว่าพุโทโธพุโทโธไปหรือให้คิดบทสวดมนต์ไป ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธคิดอยู่กับบทสวดมนต์ใจของเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจก็จะเหนื่อยก็จะหยุดคิดเองคิดพุโทโธไปเรื่อยสวดมนต์ไปเรื่อยๆให้มันเหนื่อยเลยชวนเป็นชัวมม่วโมงชวนส่วนมันไปทั้งวันยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าเราจะทําอะไรอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สวดมนต์ไปท่องพุโทโธไป เดี๋ยวใจมันก็จะเหนื่อยมันก็จะหยุดคิดเองหยุดคิดแล้วก็จะเบา อ, อกเบาใจไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆมาทําให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นโม่พอใจไม่มีอารมณ์แล้วใจมีความว่างแล้วก็จะสามารถสอนใจให้มองความจริงได้สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เช่นร in <b ord out> ่างกายของเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากไม่ให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนั่นเองถ้าเราไม่คิดไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่า ไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากใจร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายเขาต้องการจะกลับไปสู่ธาตุเดิมของเขาเวลาเขาหยุดทำงานธาตุสีก็จะแยกออกจากการไปธาตุน้ำก็ไปทางหนึ่งธาตุไฟก็ไปทางหนึ่งธาตุลมก็ไปทางหนึ่ง ภางดินก็ไปทานอยงนี่คือร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้อยู่กับเราอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากพอหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์และเราก็จะไม่ไปหาร่างกายอันไหนนี่คือ วิปัสสนาภาวนาที่เราจะเอามาสอนใจให้ฉลาดสอนใจไม่ให้หลงไม่ให้อยากได้สิ่งต่างๆถ้ายังมีความอยากได้สิ่งต่างๆอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดถ้าไม่มีความอยากได้อะไรแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดจะหยุดความอยากหยุดการเกิดได้ต้องหยุดด้วยวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่จะ มีวิปัสสนาภาวนาได้ก็ต้องมีสมถะภาวนาก่อนต้องทำใจให้สงบก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วจะไม่สามารถสอนใจให้เห็นความจริงได้เพราะใจจะมีความหลงคอยหลอกให้เห็นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นของเรา <c oughs> นี่แหละคือการยุติการเวียนว่าตายเกิดต้องยุติ ด, ด้วยสมถะภาวนา ยุติด้วยวิปัสสนาภาวนาถ้าทำบุญณบาปเพียงสองอย่างนี้ไม่พอกับการยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่อย่างน้อยก็จะได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีตายไปก็ได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวียนไปอย่างนี้ดีกว่าไม่ทำบุญลบาป ตายไปก็ต้องไปติดคุกในนรกเอาจากคุก ม, มาก็ต้องไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตหมดจากเปรตก็ต้องมาเป็นเดรัจฉานต่อกว่าจะได้กลับเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อัประละอาภัพวาสนานี่คือผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทของเราไม่มีใครวิขิตชีวิตของเราการเป็นผู้วิขิต กรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเหล่านี้เท่นั้นดังนั้นขอให้เราลิอกิชีวิตของเราด้วยการกระทำกรรมดีคือคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้พบชาติที่ดีอย่างแน่นอนการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา